แปดอนุสยะสมุคคาตสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อถอนอนุใสเก้าร้อยเก้าสิบสี่ภิกษุทั้งหลายอานาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถอนอนุัยพึงเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิสดาร อานาปาณสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี่แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อถอนอนุไซยอนุสยะสมุขคาตสูตรที่8จบ